แด่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาผู้เป็นสมณะแท้แด่เพื่อนสัพพรมจารีผู้เป็นประยาความ ง, งามของกัลยาณธรรมและแด่โยมพ่อผู้สอนให้มีน้ำใจ สงบได้จะสำนึกในความวุ่นวายของตนเงียบเป็นจะสำนึกในความเพ้อเจอ้อของตนมีน้ำใจจะสำนึกในการด่วนสรุปคนอื่นของตนจากสุภาสิตจีนโบราณ